ซึ่งอธิบายว่าอภัพนีสุก็คือทุกคนเนี่ยตรัสรู้หรือรู้อย่างยิ่งตามที่ตัวเองปฏิญญาคือตามที่ตัวเองโอ้อวดหรือไม่อธิบายว่าปฏิญญานั้นเจ้าลัทธิเหล่านั้นเนี่ยนะคำสอนเหล่านั้นเนี่ยเป็นนิยานิกะไซแสดงว่าถ้าคําสอนของเขาเนี่ยทุกๆคําสอนนําออกจากทุกจริงแสดงว่าเขารู้จริง ก็คือคําถามว่าคําสอนของเจ้าลัทธิเหล่านั้นเนี่ยนาออกจากทุก์ได้จริงหรื อ, อนี่นะหมายความว่าหมายความคือคําถามประกาศถึงว่ามั่นใจไหมมั่นใจจริงหรือว่าคําสอนของลัทธิเหล่านั้นเหล่านั้นช่วยให้เขาพ้นชาติชรามรณะได้จริงช่วยให้พ้นโสกะปริเทวะทุกโทมณัตและอุบายาตได้จริง น, นีหมายว่าคําสอนของเขาเนี่ย นำออกจากวัตถุทุกได้จริงหรืออย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองเขาก็พูดแต่ไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแต่คำสอนของเขาไม่สามารถนำออกจากทุกได้เลยเนี่ยนะไม่เป็นนิยานิกระธรรมไม่ได้แปลว่าแปลว่าเป็นธรรมที่ไม่ได้นำออกจากชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมานะและอุปาญาตเลยคำสอนของเขาไม่ได้ช่วยให้พ้นจากทุกเลยเนี่ยนะ แปลว่าทุกคนเหล่านั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเป็นสัพพันย์ูเลยหรือหรือบางพวกรู้บางบางพวกก่อใหม่รู้บางพวกเนี่ยนะบางกลุ่มรู้แต่บางพวกก่อใหม่รู้เอ้มันเป็นยังไงกันเนี่ยนะทีนี้ก็ถามพระพุทธเจ้าว่าลัทธิลัท ธ, ธิของาศาสนาอื่นที่ยกตัวอย่างมาแล้วเช่นเช่นใคร น, นะปุรนาคัสปะมะคัคคิลโศสานัชิตาเตสกสกัมพลปทุขะปะกุทากัจจยนะสันชัยเวรัตะบุตรนิครณ น, นาตบุตรทุกคนเหล่านี้เขาตรัสรู้จริงหรือหรือบะไม่ได้ตรัสรู้กันเลยหรือบางพวกตรัสรู้บางพวกไม่ตรัสรู้หรือรู้บางส่วนหรือไม่รู้บางส่วนมันเป็นยังไงซึ่งที่จริงเนี่ยน ะ, ะคำถามเนี่ยเป็นคําถามที่น่าสงสัยมากเนี่ยนะแม้กระทั้งผู้ที่มาศึกษาคําสอนในยุคปัจจุบันนี้ก็น่าสงสัย น่าสงสัยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าแท้จริงนั้นคืออะไรเห็นไหมและพระองค์เนี่ยตอบคําตอบในยุคนั้นกับยุคนี้ไม่มีความต่างกันโดยอัฏฐะแต่รูปแบบแบบฟอร์มอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่โดยอัฏฐะแล้วเนี่ยคําตอบที่พระองค์ตอบก่อนปรินิพานกับปัจจุบันนี้ไม่ผิดเลยเนี่ยนะยังถูกต้องใช้ได้นี่นะซึ่งเป็นความจริงเป็นความแท้ ที่พระองค์ขั้นแรกก่อนพระองค์ห้ามอย่าเลยสุภาาัทะหยุดเอาไว้ก่อนคําถามที่บอกว่าสมณะพราหม์พวกนั้นทั้งหมดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะรู้ทั้งหมดหรือว่าไม่ได้ตรัสรู้หรือบางพวกไม่ได้ตรัสรู้เป็นต้นเอาเถอะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปพะวงงผวาไอา้กระว่าวาวิตกกังวลอะไรกับเรื่องนี้ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของพวกเขาเองนั่นแหละเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอะนะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบตัวเขาเองแหละไม่ต้องไปห่วงก็หรอกว่างั้น พระองค์ก็เลยบอกว่าเราจะแสดงธรรมแก่เธอแสดงอริยสัจจะธรรมเราจะแสดงอริยสัจธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมที่จริงแท้และนำออกจากทุกข์ให้แก่เธอเนี่ยนะจะแสดงธรรมอันนี้ให้แก่เธอฟังเธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวซึ่งพระองค์บอกว่าจะแสดงอริยสัจจะธรรมให้ฟังเนี่ยนะ สุภธาปริพาชกก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าไอ้ความที่เขาเป็นพุทธเวไนเนี่ยนะไอ้ความที่เขาเป็นพุทธเวไนเนี่ยก็เป็นคนที่มีความเคารพอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เบนเข้าไปเขาก็ไปตามอย่างที่พระองค์ประสงค์เนี่ยนะซึ่งไม่ใช่เป็นคนที่ถือเอาแต่ความเห็นของตัวบางพวกเนี่ยถือเอาแต่ความเห็นของตัวบอกว่าถ้าท่านไม่ตอบคําถามที่ข้าพเจ้าจากักถามข้าพเจ้าไม่อยากฟังท่านผูดอีกต่อไป เนะี่ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มีไม่ใช่น้อยแม้แต่ในอดีตและปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งบอกว่าท่านไม่ต้องชักชวนข้าพเจ้าไปเรื่องอื่นข้าพเจ้าสงสัยเรื่องไหนท่านก็ขอให้ตอบแต่เรื่องนั้นก็พอแต่เขาไอความที่เป็นพุทธเวนยเนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะแส ด, แสดงอริยศาสตร์ให้ฟังนะจงตั้งใจฟังเขาก็รับเออดีอยากฟังเหมือนกันเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนสุภัฏะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปด ไม่มีหรือหาไม่ได้ในธรรมวินัยใดสมณะที่หนึ่งคือพระอรหันต์สมณะที่าาสมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบันสมณะที่สองคือพระสกทาคามีสมณะที่สคือพระนาคามีสมณะที่สคือพระอราหันต์ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นก็แปลว่าถ้าธรรมวินัยใดาศาสนาใดไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ธรรมวินัยนั้นไม่มีผู้บรรลุโสดาปฏิผลสกทาคามีผลนาค า, ามีผลและ อรหัตตผลเพราะฉะนั้นแหล่งลัทธิเหล่าใดที่เขาปฏิญาณว่าเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายไปถามว่าลัทธิเหล่านั้นมีมรรคแปดไหมถ้ามีมรรคแปดเป็นไปตามมรรคแปดก็แสดงว่าสามารถเป็นไปได้ที่จะมีพระอริยเจ้าถ้าไม่เป็นไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดหรือมั่วม่วมันก็อริยะมั่วเหมือนกนันเลยเหมือนกันงนั้นพระองค์ก็เลยบอกหลักการเมื่อกี้ใช้คําว่าไอตอนบอกเราจะแสดงธรรมแก่ท่าน อ ย, อย่าลืมว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้นเป็นอริยศาสตร์ข้อที่สเนี่ยนะมันถ้ากล่าวอริยศาสตร์ข้อที่4คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ชื่อว่ากล่าวทุกขอริยศาสตร์กล่าวทุกขสมุทัยอริยศาสตร์กล่าวทุกขนิโรธอริยศาสตร์เพราะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละที่ทํากิจกําหนดรู้ทุกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละที่เป็นกิจละสมุทัย เพราะว่าละสมุไทยละได้จริงๆก็อนุภาพแห่งอริยมรักและอนุภาพของอริยมรัครนี่แหละมรักแปลว่าสแสวงหาพระนิพพานหรือผู้ที่มีความปรารถนาในพระนิพพานจําต้องปฏิบัติและดําเนินตามอริยมรัคเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีอารยมรัครอันประกอบไปด้วยองค์8กิจในการกําหนดรู้ทุกขละสมุไทยทำนิโรธให้แจ้งไม่มีเมื่อการแทงตลอดอริยศาสตร์ไม่มีพระเริยเจ้าไม่มี พระโสดาบันไม่มีพระสะกทาคามีไม่มีพระนาคามีก็ไม่มีพระอาหารหันต์ก็ไม่มีเพราะอารหันต์ความบรรลุเป็นพระเรียเจ้าเป็นผลผลิตของการกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้งและเจริญอริยมรรคอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะพันสุพัทธะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปลหาได้ในธรรมวินัยใด สมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สมสมณะที่สหาได้ในธรรมะวินัยนั้นเนี่ยนะเพราะว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กําหนดรู้ทุกละสมุทัยรำนิโรธให้แจ้งได้ความเป็นสมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบันถ้าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กําหนดรู้ทุกละสมุทัยรำนิโรธให้แจ้งระดับที่สองเรียกว่าสะกะทาคามีมรรคก็ทําให้เกิดพระสะกะทาคามี อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนั่นแหละประชมุมทำกิจแทงตลอดอริยศาสตร์ครั้งที่สทําให้เกิดพระอนาคามีขึ้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่นแหละทากิจในอริยศาสตร์ครบ16ครั้งพระอารหันจึงเกิดขึ้นเพราะนั้นท่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดมีในพระธรรมวิไนยใดพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันก็มีได้ในธรรมวิไนนั้นอย่าลืมว่าอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั้น คื อ, อภาเวตประธรรมซึ่งหมายถึงกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรอบรู้ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งธทมที่ควรทําให้แจ้งอันนี้เรียกว่าพูดโดยหลักการเนี่ยนะพูดโดยหลักการว่าหลักการมีอยู่อย่างนี้ท่านมาถามถึงผู้ที่เขาตรัสรู้การตรัสรู้ก็คือพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แป การตรัสรู้มีไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสในธรรมจักรกับวัตนสูตรว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8ดนี่แหละที่ทําจักรสุให้เกิดทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเพราะถ้าไม่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรตรัสรู้รู้ยิ่งบรรลุมรรคผลและนิพพานเนี่ยนะ แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้บอกว่าอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หาได้ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเราอย่าไปคิดเลยว่าคนอื่นจะเปิดเผยแต่งตั้งอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดองค์ง8บอกสอนคาว่านี้ธรรมวินัยนี้หมายว่าธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีไม่ได้ เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะเจริญอริยมรรคมีองค์8ดนั่นแหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดผู้ที่บรรลุหรือเจริญแล้วตรัสรู้หรือบรรลุก็เพราะว่าเขาเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะอย่าลืมว่าเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดประชุมเสร็จในครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันเป็นสมณะที่หนึ่ง ถ้าประชมอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดสำเร็จเป็นครั้งที่สองสำเร็จเป็นพระสกธาคามีสมณะที่สองถ้าหากว่าประชุมอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดสำเร็จเป็นครั้งที่สามเนี่ยนะก็เป็นพระอนาคามีเป็นสมณะที่สามถ้าประชมอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดสำเร็จเป็นครั้งที่สี่เนี่ยนะอันนั้นก็เป็นพระอรหันต์คือสมณะที่สี่เพราะฉะนั้น สมณะที่1คือพระโสดาบันสมณะที่สองคือพระสกะทาคามีสมณะที่สคือพระอนาคามีเนี่ยนะมีอยู่ในธรรมวินัยคือศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจะไม่เคยได้ยินว่าสาวกของบุคคลอื่นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกะทาคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหันต์ถึงจะเอ่ยก็เอ่ยแต่ชื่อแต่ไม่มีอรมารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือบางทีมีคาว่ามรแป แต่จะไม่มีการกำหนดรู้ทุกละสมุทัยและทำนิโรธให้แจ้งซึ่งผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าจะต้องทบทวนให้ดีๆเนี่ยนะโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม่ตอนที่พระองค์ปรินิพานใหม่ๆก็ค่อยยังชั่วยิ่งยุคปัจจุบันด้วยแล้วนี่ไม่อย่างนั้นเราอาจจะตรัสรู้คนละอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หรือเราอาจจะเจริญข้อปฏิบัติคนละอย่างของพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่ากาลังเจริญของ พระพุทธศาสนาเนี่ยนะเอ่ยอ้างพระพุทธศาสนาเปล่าๆ เ, เ, เนี่ยนะซึ่งอาจจะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่อย่างว่าผิดถูกชั่วดีเป็นของเฉพาะตัวเนี่ยนะหมายค่าว่าถ้าถูกถ้าถูกก็ทําที่สุดแห่งทุกร์ไถ้าผิดวัตถา ม, มันก็ยาวแต่อย่าลืมว่าทางถูกมีอยู่ทางเดียวคือทางอันประกอบไปด้วยองค์แปดเท่านั้นถ้าไม่เป็นไปตามอาริยมร์อันประกอบไปด้วยองค์แปดซึ่งเป็นไปตามลําดับศีลสมาธิและปัญญา เป็นไปตามลำดับเพื่อกำหนดรู้ทุกละสมุไทยทำนิโรจนให้แจ้งถ้าไม่เป็นไปตามนั้นมันก็มันก็ทำที่สุดแห่งทุกไม่ได้เอาอะไรมาเป็นอุปกรณ์เครื่องมือบอกว่าฉันปิดอบายทุกขติวินิบัตินรกได้แล้วเพราะว่าโสดาปฏิมักที่ทำกิจในอริยสัจเป็นคุณธรรมที่เปิดเผยบอกว่าทำกิจปิดอบายแล้วเนี่ย น, นสะสกะาคามีมักนี่แหละเป็นตัวยืนยันว่ามาสู่โลกนี้เป็น อีกครั้งเดียวถ้าอนาคามีเนี่ยนะกิจในอริยศัสตร์อย่างนี้บอกว่ า, มาไม่กลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วในการ ม, มาโลกอีกแล้วถ้าเป็นร่ารานก็ทําที่สุดแห่งทุกได้พระองค์บอกเลยว่าลัทธิอื่นๆว่างจากสมณะผู้รู้อันนี้เป็นคําบอกเลยนะจริงๆอะ่ะตอนแรกเนี่ยพระองค์อยากจะบอกี้แต่ว่าบอกเลยทีเดียวไม่ได้บอกหลักการก่อน เพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็บอกว่าเอ๊ะรัที่ตัวเองดีอยู่ของตัวอยู่คนเดียวคนอื่นผิดหมดดีแต่ของขา้าอ่นนะคนอื่นใช้ไม่ได้ไม่ถูกต้องพระองค์ก็บอกหลักการก่อนหลักการก็มีอยู่ว่าถ้าปฏิบัติาศาสนาใดลักที่ใดมีมรรคแปดหรือมีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดทำกิจในอริยสัจธรรมวิไนนั้นมีพระเรียเจ้าถ้าธรรมวิไนใด มีมรรคแดธรรมวินัยนั้นมีพระอริยเจ้าถ้าธรรมวินยัยใดศาสนาใดใครสอนก็ตามถ้าไม่เป็นไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แดก็มีพระอริยเจ้าไม่ได้แต่แล้วพระองค์ก็บอกว่าอริยมรรคแปดมีในาศาสนานี้นะมีในธรรมวินัยคือของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระโสดาบันพระสกะทาคามีพระอนาคามีและพระฐันจึงมีในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ส่วนลัทธิทิฏฐิเหล่าอื่นทิฏฐิ62ลัทธิศัสตะทิฏฐิลัทธิเอกจสะสตะทิฏฐิลัทธิอธิจสะสมุปัญญาทิฏฐิลัทธิอมราวิเขปะลัทธิสัญยีวาทธาสันยีวาทาเนวสันญีนาสัญยีวาทาลัทธิอุเฉททิฏฐิหรือทิฏฐธรรมนิพานลัทธิเหล่านั้นทั้งหมดศูน แปลว่าศูนย์นี่แปลว่าวงกลมไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะไม่มีผู้ที่รู้อริยสัจเนี่นะรัตรที่อื่นไม่มีผู้ที่รู้อริยสัจวรรัตรที่ที่หิบสองไม่มีการตรัสรู้อริยสัจเพื่อความเป็นพระโสดาบันไม่มีการตรัสรู้อริยสัจเพื่อการเป็นพระสกทาคามีเป็นพระนาคามีและเป็นพระอรหันต์ก็ปฏิเสธเลยว่ารัตรที่เหล่าอื่นเหล่าอื่นทั้งหมดไม่มีแม้กระทั่ง ถ้าบอกว่าผู้รู้ตัวนั้นเนี่ยหมายถึงว่าสมณะส2บสอและที่อื่นๆว่างเปล่าจากสมณะ12ประเภทว่างเปล่าจากสมณะนะเกี่ยวกับพระโสดาบันมีอยู่สว่างเปล่าจากผู้เจริญวิปัสนาเพื่อเพื่อโสดาปฏิมัิไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมักไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลอันนี้3แหละ ไม่มีผู้เจริญวิปัสนาเพื่อสกทาคามีมัชไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในสกทาคามีมัชและไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลไม่มีผู้ที่เจริญวิปัสนาเพื่ออนาคามีมัชไม่มีอนาคามีมัชไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในอนาคามีมัชและไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในอนาคามีผลไม่มีผู้เจริญวิปัสนาเพื่ออรหัตมัชไม่มีผู้ที่ตั้งอยู่ในอรหัตมัชและไม่มี ผู้ที่ตั้งอยู่ในอรหัตผลเพราะฉะนั้นผู้เจริญวิปัสสนาเพื่ออริยมรรคทั้งสี่ผู้ที่ตั้งอยู่ในอริยมรรคสี่ผู้ที่ตั้งอยู่ในอริยผลสี่คือสมณะสิบสองเหล่านี้ไม่มีอยู่ในลัทธิทิฏฐิหกสิบสองเลยเนี่ยนะไม่มีอยู่ในลัทธิขีรวัตที่อื่นๆก็คือลัทธิที่เป็นไปกับทิฏฐิ62เนี่ยนะทิฏฐิศสตะทิฏฐิเอกจัสตะทิฏฐิ อมาราวิเขปะอธิจะสมุปปันะทิฐิเนี่ยนะหรือว่าพวกสัญีวาทะาสัญีวาที่ลัทธิทิ่62ิเป็นต้นเหล่านั้นสรุปว่าไม่มีผู้ที่เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เลย